แต่เป็นธรรมดาของโลกสิ่งที่เราหวังมักไม่ค่อยได้แต่สิ่งที่ไม่ต้องการมักพลั้งพลูเข้ามาหาจะเป็นความผิดของธรรมชาติหรือของบุคคลกันเล่าถ้าจะเป็นความผิดของบุคคลก็ตรงที่มนุษย์ส่วนใหญ่มักจะหวังเอาแต่ความพอใจของตัวอะไรที่ตนพอใจก็สร้างความหวังขึ้นไว้โดยไม่ค่อยได้คานึงว่า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 ทำไมในสำนักศึกษาตะกศิลาเข้าไปไม่ได้ชาลินีพูดในวัดนั้นเขาเข้าไปหาพระนำของไปถวายพระก็ไม่เป็นไรนิเราไปหาผู้ชายธรรมดาก็ไม่ดีกระมงังชโลทราออกความเห็นเมื่อไปหาผู้ชายธรรมดาไม่ได้จะไปหาพระได้อย่างไรกันชาลินีพูดทำไมชโลทราถาม